จะเป็นชาวพุทธได้ก็ต้องมีหลักสนทนากับคณะครูโรงเรียนสยามสามไตรเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2550ก็ศีลก็มีสอย่างเนี่ย4หมวดสี่ชุดเนี่ยย ในการศึกษาคิดว่าคงต้องให้ครบไม่งั้นเราไปนึกกันอยู่แค่เบญจศีนอันนั้นเป็นศีลหลักก็เรียกว่าเหมือนกับปาตีโมก ข, ของพระพระต้องมีศีล2อรเป็นหลักแต่ว่าต้องมีพวกอีกสามอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าในตัวหลักใหญ่ๆอาตอมาคิดว่าพูดไปแล้วเลยพอแล้วอันต่อไปก็คือจาก เรื่องของความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ไหมที่เราจะมาช่วยกันวางหลักที่มันไม่มากค่อนนักซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติการได้จริงอันนี้ต้องขอพูดอันหนึ่งว่าในสังคมชาวพุทธเราเนี่ยเป็นปัญหามากคือแมมพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมไว้มากมาย แล้วบางทีเราก็เรียนรู้เยอะแยะหมดเลยแต่ว่าในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยไม่รู้จะจับอันไหนมาทำมาใช้และชาวพุทธก็เลยไม่มีจุดที่ร่วมกันที่ว่ามีหลักการอะไรที่ต้องยึดถือเช่นว่าศรัทธานี้ร่วมกันเช่นว่าถ้าเป็นาชาวพุทธแล้วจะมีศรัทธาอย่างนี้พูดได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีความเชื่อ มีความเชื่อในหลักการอุดมการณ์อะไรก็แล้วแต่อย่างนี้แล้วก็หมวดที่สองก็คือถ้าเป็นชาวพุทธแล้วจะต้องมีข้อปฏิบัติดังนี้อย่างนี้แล้วทํากันให้ลงตัวเรื่องนี้คิดวันนานเป็น10บสิบปีแม้แต่ที่ออกหนังสือวินัยชาวพุทธก็เพราะอย่างเงี้ยพะเห็นว่าสังคมชาวพุทธนี่เคว้งคว้างและเกิดพระยังพอมีบ้างว่ามีวินัยต้องปฏิบัติบวชเข้ามาแล้วต้องถือศีลสองิบเจ็ดชัดเจนไปเลยต้องทำนี่ น, น, นี้นี่ทำอันนั้นนนั้นไม่ได้ แต่ว่าชาวพุทธคาึงหันี้ไม่มีอะไรเลยฉันเป็นชาวพุทธแล้วชาวพุทธอยู่ที่ไหนต้องทำอะไรบ้างไม่รู้พูดไม่ถูกเลยเนี่ยเนี่ยเป็นกันอย่างนงี้มานานแล้วทำยังไงจะให้เรามีสักทีอันนี้แล้วต้องไม่มากนี่วินัยชาวพุทธนั่นเกิดขึ้นมาก็เพื่อจะให้ชี้บ้างแต่อาจารย์เฉสสาโรมาคือท่านก็ชอบทวงอตมาเรื่องนี้เพราะว่า อาตมาก็ชอบคิดเรื่องนี้มาเป็นสิบสิบสบปีที่ว่าอันนี้ท่านก็ยังอาตมาคิดไวท่านก็ยังว่าแหมมันยิงมากจังเหมือนกันก็ยังมากก็ยอมรับจริงๆว่าวินัยชาพุดก็ยังมากนี่เรามาช่วยกันทำให้มันให้มันไปข้อหนอหน้อยหน่อยนี้อาตมาก็ตั้งตุกตาเสนอให้แล้วก็มาช่วยกันดูอาตมาก็อยากจะให้มีหลัก หลักนั้นมันจะมีสองหมวดคือหลักความเชื่ออันหนึ่งแล้วก็หลักที่เป็นข้อปฏิบัติเช่นว่าถ้าเป็นชาวพุทธแล้วจะต้องมีการกระทําอันเนี้ยชัดออกมาเลยทีนี้ถ้าเราฝึกตั้งแต่เป็นนักเรียนได้ก็ดีเพราะนักเรียนของเราเนี้ยโรงเรียนเนี้ยในเมื่อเรายังทําโรงเรียนอื่นไม่ได้เข้าโรงเรียนนี้ก่อนน่าจะต้องมีการกระทําอันนี้ทีนี้ต่อมาเนี้ยไม่รู้ลึกซึ้ง เหมือนอย่างคุณครูอาจารย์รเพราะฉะนั้นก็ได้แต่ล ง, ต, งตั้งมานี่ก็เป็นเพียงตัวบทครอบเสนอแนะพิจารณาเท่านั้นหรือเป็นตุ๊กตาเท่านั้นก็อยากจะให้ทางโรงเรียนเนี่ยมาช่วยกันถ้าเห็นด้วยว่าน่าจะมีแล้วก็จะคิดวางยังไงเอาข้อไหนบ้างแล้วจะข้อความเขียนยังไงให้มันง่ายๆอาตมาถึงได้เขียนตัวอย่างไว้ตอนต้นบอกวางหลักที่เข้าใจง่ายจาง่าย เช่นเลือกสำนวนใดสำนวนหนึ่งตอไปนี้หมายความสามข้อต่อไปเนี้ยความหมายเดียวกันแต่ว่าอาจจะเลือกเอาสำนวนที่มันง่ายหรื อ, อยังไงหรือว่าไม่ยากนักแล้วก็อันไหนเหมาะที่สุดช่วยกันดูอย่างสำนวนที่หนึ่งบอกมีพลที่ศรัทธาเชื่อว่าทุกคนมีสกเกลภาพที่จะพัฒนาปัญญาให้เป็นพุท ธ, ธะถ้าเขียนอย่างนี้ก็เป็นความหมายแบบเต็มไปเลยแต่ทีนี้อาจจะยากไปเอาสำนวนที่สอง มนุษย์จะประเสริฐได้เพราะฝึกตนด้วยศิกขาหรือจะใช้คําว่าด้วยการศึกษาก็แล้วแต่แล้วก็สํานวนที่สาบอกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกเอาง่ายๆอย่างนี้เป็นตน้นหมายความว่านี่เป็นตัวอย่างให้เรามาปรับสํานวนแต่ว่าไอ้ตัวหัวข้อนั้นก็ตั้งไว้ให้อย่างนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่ ม, เ, มเติมตัดออกเพิ่มเข้าถ้าเห็นด้วยว่าควรจะมีก็ต้องช่วยกัน ทีนี้ที่อาตมาเสนอว่าในทีนี้ลองอ่านดูก่อนอาตมาอ่านให้ฟังให้หมดก่อนเลยนะลยอหนึ่งหลักการในวงเล็บหลักความเชื่อจะเรียกไงก็ได้เรียกหลักการหรือหลักความเชื่อในลักษณะเป็นปฏิญญาที่เขียนไว้เป็นลักษณะปฏิญญาทําให้เขียนในลักษณะปฏิญญาก็เขียนหรือยอย่างอื่นก็ได้ไหมายความไม่ต้องมีคํำว่าคา่คาคา่าใช้แต่ตัวหัวข้อหลักไม่ต้องมีค่าอย่างนั้นนี้ทีนี้ที่ให้ไว้เป็นตัวอย่างบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อว่า มนุษย์จะประเสริฐได้เพราะฝึกตนด้วยศีกขาหรือจะเปลี่ยนไปว่าด้วยการศึกษาต่อไปข้าพเจ้าจะฝึกตนให้มีปัญญามีความบริสุทธิ์และมีเมตตากรุณาตามอย่างพระพุทธเจ้าที่เราบูชาต่อไปข้าพเจ้าถือธรรมคือความจรงิงความถูกต้องดีงามเป็นใหญ่เป็นมาตรฐานหรือเป็นเกณฑ์ตัดสินและจะใช้จำนวนไหนต่อไปข้าพเจ้าจะสร้างสังคมตั้งแต่ในบ้าน ให้มีสามคัคคีเป็นที่กัลยาณมิตรมาเกื้อกูลร่วมกันสร้างสารรค์ต่อไปข้าพเจ้าจะสร้างความสําเร็จด้วยการกระทําที่ดีงามของตนโดยภาคเพียรอย่างไม่ประมาทนีหมายความว่าอันนี้ก็คือหลักศรัทธาในพระจรณะไตรเนี่ยเอามาเขียนในสํานวนใหม่แล้วก็หลักกรรมเพราะว่าหลักศรัทธาของชาวพุทธเนี่ยอันนี้ก็ขอแทรกหนึ่งคือเราไปจํากันศรัทธาสี่ หลายท่านคงจำได้เนีเลยรู้ไหมเนะ่อศรัทธาสี่มีกรร ม, มสัฏฐาวิปากสาัทธากรร ม, มสักตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาใครเคยได้ยินบ้นางศรัทธาสี่เนี่ยบอกว่าศรัทธาของชาวพุทธสี่ข้อแต่ที่จริงสี่ข้อเนี่ยไม่มีในของเดิมของท่านหลักการเดิมแต่คนไทยเนี่ยถือกันมาสี่ข้อน่ ของท่านในระดับอัตกระฐานะพระพุทธเจ้าในตถาคตโพธิสัต t ทาในอัตกถานี้จะมีสองอย่าง 1. ตถาคตโพธิสัต t h หรือรัตนนตยสัต t h อันใดอหนึ่งคือตถาคตโพธิสัต t h ก็แทนรัตนนตยสัท t h หรือจะใช้รัตนัตยสัต t h ก็ศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็สองกรรมพละศรัทธาเพราะว่าศรัทธาในกรรมและผลของกรรมจบไม่ต้องมีสข้อ ส อ, อันก็คืออันที่หนึ่งเป็นเรื่องของพระธรตนตรยัยอันที่สองเป็นเรื่องของกรรมทีนี้ในเนี้ยจะเห็นว่าข้อหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์จะประเสริฐได้เพราะฝึกตนในศีกขาก็คือเรื่องพุทธะพระธรตนตรัยข้อหนึ่งฝึกตนให้มีปัญญาบริสุทธิ์เมตตากรุณาตามอย่างพระพุทธเจ้าก็พุทธะอีกแหละถือทําความจริงความถูกต้องดีงามเป็นใหญ่เป็นมาตรฐานนี่ก็ธรรมะ สร้างสังคมตั้งแต่ในบ้านมีสามคัคคีเป็นที่กาลยาณมิตรเกื้อกูลร่วมกันสร้างสารรค์นีิก็สังขะและก็สร้างความสําเร็จด้วยการกระทําที่ดีงามของตนโดยภาคเพียรยังไม่ประมาทอันนี้ก็คือหลักกรรมทีนี้เวลานี้เราเคว้งคว้างคําว่ากรรมก็ไม่ออกมาสู่ภาษาไทายให้ชัดเจนจับจุดไม่ได้คนก็ไปนเน้นในแ ง, ง่รอผลกรรมเมื่อไรบ้าง แทนที่จะท่านสอนกรรมมาเพื่อจะให้เราทํากรรมดีว่างนั้นสอนให้เราเพื่อเราทําให้ถูกไม่ใช่สอนเพื่อรอผลกรรมใช่ไหมท่านสอนเพื่อให้ทําไม่ใช่สอนให้รอทีนี้ว่าเพราะว่าเก่าแล้วอาจจะทํามาผิดเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนแั้วถ้าทมาไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นทํากรรมดีแล้วทํากรรมดีแล้วก็ทํากรรมดียิ่งขึ้นไปจึงได้มีศิกขางีา่ยสิกขามาก็เพื่อฝึกให้เราเนี่ยเลิกทํากรรมชั่ว แล้วก็ทำกรรมดีแล้วเราจะได้พัฒนาตัวเองให้ทำกรรมดียิ่งขึ้นไปใช่ไหมสิกขายนี่แหละก็คือมาฝึกให้เราทำกรรมให้ถูกต้องแล้วเราจะไปมัวรอผลกรรมอะไรกันร้อยฝึกให้ทำกรรมฝึกเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้จักกรรมที่ถูกต้องแล้วเราจะได้ละกรรมชั่วทำกรรมดีแล้วทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปก็คือ จะได้ละอกุศลแล้วก็ทํากุศลแล้วก็ทํากุศลที่สูงขึ้นไปเรียกว่าพัฒนาเจริญในกุศลหรือภาษาพระท่านเรียกว่ากุศลภาวนาก็คือการพัฒนากุศลก็พัฒนาได้กรรมนั่นเองก็กุศลภาวนาพัฒนากุศละกรทำพัฒนาไงก็คือการทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปแล้วจะทํากรรมที่ดียิ่งขึ้นไปยังไงก็คือได้ศึกษานี่แหละการฝึกศึกษานี่เอง นี่เราก็เน้นที่ให้เห็นชัดเจนเลยในทางปฏิบัติการแล้วคนเดียวนี่ที่เรียกชาวพุทธเนี่ยไปขูดเลขหวยเป็นรอผลแน่อะไรที่โชคลางศิลศาสตร์อะไรแต่อะไรกันไปหมดอ้อนวอนขอฤทธบันดาลอะไรต่างๆมันก็เสียหลักการมหมดเราก็ต้องพูดให้ชัดเลยสร้างความสําเร็จด้วยการกระทําไม่ใช่สร้างผลสําเร็จด้วยการไปอ้อนวอนไปนอนรอคอยโชค อะไรทำเนี่ยนี่รัฐที่รอผลดลบรรดาลมันเกินเมืองไทยแล้วเกินแล้วต้องเอาหลักกรรมที่แท้มาแก้ทัทีเพราะนั้นถ้ากรรมที่จุดให้ถูกก็ได้อย่างเงี้ยเลยือพอนก็คือว่าสร้างความสรขจดยการกระทาที่ดีงามของตนโดยภาคเพียรอย่างไม่ประมาทก็ใช้หมดทั้งหลักความไม่ประมาททั้งหลักความภาคเพียรพระพุทธเจ้าตรัสว่า เราเป็นกรรมวาทีเราเป็นวิริยะวาทีผู้ไม่ได้ตรัสอันเดียวนะเราเป็นกรรมวาทีเราเป็นวิริยะวาทีแปลว่าเราเป็นผู้ถือหลักการการะทําเราเป็นผู้ถือหลักความเพียรก็หมายความการกระทํามันต้องมากับความเพียรคนไม่มีความเพียรจะทําไปไหวหรือใช่ไหมอ้าวเพราะนั้นมันก็สอดคล้อง ก, กันก็คือต้องมีความเพียร เพราะฉะนั้นเวลาไปพูดเรื่องกรรมเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจผิดเอาพระสูตรนี้ไปพูดได้เลยบอกพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าเราเป็นกรรมวาทีเราเป็นวิริยะวาทีต้องพูดคู่กันเราถือหลักการกระทำถือหลักความเพียรต้องมีความเพียรด้วยอันนีน้อันนี้เป็นหลักในแง่ของหลักการใหญ่ที่ยึดถือหรือเชื่อก็แล้วแต่แล้วก็ช่วยกัรพิจารณา แม้แต่เปลี่ยนสำนวนหรือจะตัดหรือจะเติมต่อไปที่นี้สองเป็นปฏิบัติการหรือจะเรียกก็ข้อปฏิบัติก็ได้ช่วยกันพิจารณาว่าแค่ไหนดีเนี่ยที่นี้ก็ชักจ เ, เยอะแหละถ้าได้แค่5ข้ออะไรก็7ข้อก็ยังดีอ้าวข้อหนึ่งเก็บออมเงินและแบ่งมาทำทานหรือใช้คำว่าบริจาค ก, ก็แล้วแต่เพื่อบรรเทาทุกเพื่อบูชาคุณเพื่อสนับสนุนกรรมดีอย่างน้อยสัปดาห์ละ จุดๆแล้วก็วงเล็บตักบาดรวมได้ในข้อนี้ฝึกทำจริงได้ไหมให้เด็กมีการฝึกตนในการทำฐานดีไหมทำอีให้เป็นกิจกรรมที่เขาต้องทำเลยให้เป็นชีวิตของเขาถ้าทุกวันไม่ไหวก็สัปดาห์ละครั้เอาต่อไปสองสมาทานเวญจศีลในวงเล็บในระดับที่เหมาะกับวัยหรือสภาพชีวิต ไม่ให้พลาดเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายนี้เว้นอบายยมุขแม้แต่ถือเป็นจิศีลของเราเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วก็อาตมาเองก็อยากจะถามทางฝ่ายครูอาจารย์ด้วยว่ามีปัญหาเรื่องนี้หรือไม่คือเพราะว่าเวลารักษาศีลเนียมันข้อปฏาาิบาติแปลว่าไม่ทำลายชีวิตใช่ไหมก็ทำให้บางทีจุดเน้นไปอยู่ที่ยึดมดที่ยุงอ่าแล้วทีนี้มันก็เลยปฏิบัติยาก ทำไงเราจะให้เด็กแม้แต่พุทธศาสนิกชนทุกคนนมีความมั่นใจในตัวเองในการรักษาศีลมืางอไนก็ไปหวั่นใจแล้วแวงไม่สบายใจอยู่กับเรื่องมอดเรื่องยุงอะไรเนี่ยเอาหลักมาพูดกันไม่ให้พระให้มันชัดหน่อยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของการพัฒนาชีวิตเราเริ่มจากระดับที่น้อยแล้วก็พัฒนายิ่งขึ้นแน่นอนว่าศีลพระนั้นท่านจะเน้น ท่านจะแบ่งแยกแล้วแม้แต่เน้นท่านก็ยังแบ่งนะถ้าฆ่ามนุษย์นี่ไปอยู่ในศีลหมวดหนึ่งนะฆ่ามนุษย์นี่เป็นปาราชิกก็เป็นปานาติบาตเหมือนกันนะปานาธิบาตฆ่ามนุษย์แต่เป็นปาราชิกแต่ถ้าฆ่าสัตว์อื่นก็ไปอยู่ในปาจิตติเป็นอาบัติเบามาแสดงบอกกันได้พระวิสุ์ก็ไปฆ่าสัตว์แล้วก็มาปรุงอาบัตก็หาย ทีนี้ของกระ่อหัดนี่ไปรั่วมหมดเลยขาดสัตว์อะไรแต่ อ, อะไรก็ปานาติบาทหมดนี่ก็ไม่สบายใจแล้วเดี๋ยวเจอยุงเจอมดอะไรต่างๆก็เลยขาดความมั่นใจในตัวเองมอมหอด้วยเลยค่ะอมหอด้วยแมงสาบบ้างอะไรบ้างใช่ไห ม, <ปะ S 2> มเลยนั่นสิทีนี้ว่าเราทําตามหลักการพัฒนานี้ได้ไหมแล้วท่านบอกไว้แล้วในเรื่องเบญจศีลเนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่อง ว่าอ้าวปาณาติบาตเนี่ยมีขั้นบาปแรงบาปเบากว่ากันยังไงเช่นท่านจะแบ่งว่าถ้าสัตว์มีคุณมีโทษมาถ้าสัตว์ไม่มีคุณมีโทษน้อยนี่อ้าวถ้าสัตว์ที่เป็นโทษก็แน่นอนมีโทษน้อยอย่างนีเลยเอา้าวสัตว์ใหญ่บาปหรือว่ามีโทษแรงกับสัตว์เล็ก นี่ขนาดร่างกายสัตว์เล็กมีโทษน้อยกว่าแล้วต่อไปก็เจตนาถ้าเจตนาฆ่านี่เป็นเจตนาที่ต้องการกลั่นแกล้งต้องการข่มเหงเบียดเบียนมันไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมันก็อยู่คนแบบดีๆไม่ไปโทษไม่ไผ่แล้วไปแกล้งมันคือไปมีเจตนามุ่งร้ายไปทำาลายรังแกอะไรเงี้ยเป็นบาปโทษมา แต่ถ้าทําอย่างเช่นป้องกันตัวก็โทษ น, น้อยอะไรงี้เป็นต้นอย่างนี้ท่านก็ให้เกณฑ์ไว้ในเรื่องของบาปว่ามีโทษมากโทษ น, น้อยแล้วเราก็ดูศีของพระนี้เป็นหลักว่าท่านยังปรับมากน้อยกว่ากันนั้นในการถือศีลของพระฤๅษีเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราจะให้เด็กเนี่ยประจักษ์หรือสํานึกกับตัวเองแล้วมีความมั่นใจตัวเองในการรักษา ว่าเวลาสมาทานศีลก็ในใจแต่ละคนเนี่ยจะต้องบอกได้ว่าหรือเลือกหรือแม้แต่จะบอกออกมาว่าฉันสัตว์ตั้งแต่ระดับนี้ขึ้นไปนแปลเว้นไม่เบียดเบียนถ้าต่อจากนั้นก็อาจจะไม่รังแกไม่ข่มเหงด้ว ย, ยแต่ว่าเราไม่ถึงกับไปปฏิญาณ เอาแค่เนี่ยระดับนี้ขึ้นไปแล้วต่อไปเราจะต้องพัฒนาขึ้นหน้าไม่ใช่หยุดแค่นี้หมายความขณะ น, นี้ข้าพเจ้ามีความพร้อมที่จะทําได้แค่นี้มีความพร้อมที่จะทําได้แค่ไหนมีความมั่นใจตัวเองก็สมาทานเท่านั้นในใจรู้กันแล้วต่อไปเมื่อมีความสามารถกับพัฒนามากขึ้นไปตามลําดับเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสน า, าการศึกษาต้องมีการพัฒนาดีขึ้นไปไม่ใช่หมายความว่าเราละเลยนะ แต่ว่าเรายัางไม่พร้อมเราก็ต้องขอพัฒนาตัวเองแต่ระดับไหนที่ทำได้ก็ให้มีความมั่นใจที่จะทำมิฉะนั้นแล้วมันจะแกว่งและพลาแล้วทำให้เกิดความรู้สึกไม่ไม่ไ ม, มั่นใจตัวเองนี่ก็สาคัญอันนี้อยากมาอยากฟังความคิดเห็นของครูอาจารย์ด้วยเลยรู้สึกยังไงไม่ทราบเรื่อยบอนจะเห็นยังไงเลย ในในช่วงต้นของเด็กที่เล็กมากนี่ก็จะยังให้เห็นชีวิตก็คือชีวิตเน่เจ้าค่ะแล้วก็เพราะไม่ เ, เด็กเนี่ยเวลาเห็นหมดเขาก็จะใช้เท้าขยี้ทันทีในสมัยก่อนแล้วก็ให้เขารู้ว่ามีชีวิตเท่ากันแล้วก็ไม่ทำลายส่วนใหญ่เด็กจะอยู่ในขั้นนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงในบ้านแล้วตบยุงหรือว่าเป็นพ่อแม่ที่ต้องฉีด ยุ่งอันนี้เด็กก็จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแต่ว่าเด็กจะถูกสอนว่าเมื่อเห็นเนี่ยเขามีชีวิตเท่ากันแล้วเป็นเพื่อนแล้วก็เขาจะเห็นแล้วเขาก็จะไปเฝ้าดูมากกว่าเจ้าค่ะแล้วก็จะเห็นมันทํามดมันเอาเอาไ อ, าอา้หนวดแอนเทน่านี่เขาก็จะเฝ้าดูอย่างนั้นเป็นเพื่อนของชีวิตเจ้าค่ะส่วนตอนสมาทานศีลก็ยังใช้รวมกันอยู่เจ้าค่ะแต่ทีนี้ว่าในขั้นไหนจะเป็นปัญหาได้ไหมก็แม้แต่ผู้ใหญ่นะ ผู้ใหญ่ก็จะเป็นปัญหาได้นี่ว่าเราจะให้ปฏิบัติศีลได้ความมั่นใจเพราะแม้แต่เด็กเองเนี่ยเด็กเล็กๆแน่นอนเราสอนให้มีเมตตากรุณาและให้รู้เหตุผลว่าเรารักชีวิตเราฉันใดเรารักสุขเปลียดทุกชั้นใดสัตว์อื่นก็ฉันนั้นอันนี้ก็เป็นการอธิบายเชิงเหตุผลคือให้ถือศีลด้ปัญญาเราก็รู้อ๋อเขาก็มีชีวิตเช่นเดียวกัน แต่ทีนี้ต่อไปเขาจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาฉีดยาใช่ไหมอ้าวแล้วคุณพ่อคุณแม่ทําไมทํางี้ล่ะนี้ก็ต้องมีตอบเขาได้นะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องพร้อมที่จะตอบอันนี้ด้วยจะจะพร้อมไหมที่ว่าพอถึงตอนเนี้ยเราจะให้หลักนี้ให้เขาทราบเลยฟอนเลยฟเชิญก็ก็คือว่า เขาก็เห็นที่บ้านทำเหมือนกันนะนะคะแต่โดยโดยหลักคิดของโยมก็คือว่าก็อธิบายให้เขาฟังว่าเราทำเพราะอะไรแต่ก็จะบอกว่าต่อไปเนี่ยจะซื้อพวกสมุนไพรกันไว้จะได้ไม่ต้องทำเจ <Yeah. S 1> <laughs> <c oughs> ้าค่ะแต่ก็มีความคิดว่า เ, เรื่องการสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ย ก็สามารถบอกได้เลยบอกได้เลยบอกได้เลยโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันยากหรือว่ามันไม่รู้สึกใช่ค่ะทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ถึงยังไงในระดับหนึ่งต้องรู้อันนี้ด้วยนะ <S <S คือต้องสามารถแยกแยะเช่นว่าให้เด็กเข้าใจเรื่องว่าปาณาติบาตอย่างไหนมีโทษมากโทษน้อยเนี่ยเรื่องว่าถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองในการปฏิบัติมากขึ้นไม่เช่นนั้นเขาพลาดแล้วเขาจะไปฆ่าสัตว์ไหนเขาก็รู้สึกว่า เหมือนกันหมดอีก น, นี่เช่นว่าพ่อแม่ก็อาจจะอธิบายกับลูกได้บอกว่าเนี่ยสัตว์นี้เราพยายามหลีกเลี่ยงเรารู้ว่าเขารักชีวิตเขาแต่ว่าเราเห็นอันตรายเช่นว่าแม่ก็รักลูกแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตลูกแม่เลยต้องเลือกเอากันนะใช่ไหมอ่าเรียกว่า <c oughs> เลือกเอาประโยชน์ใหญ่กับประโยชน์น้อย โทษมากโทษน้อยอันนี้ก็จะคือหมายความต้องมีเหตุผลในระดับที่ตอบได้เป็นลำดับไปพอสูงขึ้นมาก็อธิบายได้เจ้าค่ะก็ทำให้รู้สึกเบาใจขึ้นค่ะเจ้าค่ะว่าถ้าได้อธิบายเขาให้ฟังว่าระดับของบาปเนี่ยมีมากน้อยแ ล, แล้วแต่ก็เร า, าก็จะได้เห็นชัดว่าลูกจะเห็นว่าแม่เนี่ยไม่ทำร้ายสัตว์ ที่เขาเ<อ>ไม่กำลังแกเราเลยที่เขาไม่เป็นโทษเลยก็จะไปทำเขาบั้งเฉพาะสัตว์ที่มันเป็นอันตรายมีโทษแล้วแม่ก็พยายามหลีกเลี่ยงที่สุดใช่ไหมเลยพ่อนเพราะเรารู้ว่าทุกชีวิตรักตัวเองเน กับยาวไปเรื่อยๆตรงนี้เองเนี่ยผมมีความรู้สึกที่สับสนนะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้ชอบใจและจับใจตรงที่พระคุณเจ้าพูดในเรื่องของศีลนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือการเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้สําหรับเด็กเนี่ยผมว่าเรื่องตรงนี้กลับไม่ใช่เรื่องใหญ่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็พยายามที่จะเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุตรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องที่ยากยากยิ่งขึ้นเนี่ยที่ผมว่าเป็นเรื่องยากมากนี่คือการที่จะพัฒนาให้เขาเนี่ยสามารถ หยิบสิ่งที่ดีเห็นในเรื่องไม่ดีได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าค่อนข้างยากนะครับแต่กลับมาถึงตรงที่เรื่องเราจะทำไงให้ลูกเข้าใจว่าการที่จะอยู่ในสังคมโดยการที่รักษาเบญสินให้ครบถ้วนหมดในปัจจุบันนี้นะครับตัวโยมเองโยมคิดว่าค่อนข้างยากมากเพราะว่าแ ม, ม้แต่เมื่อกี้เรื่องพระคุณเจ้าพูดเรื่องสัมมาชีพนะครับทุกวันนี้เองในการจะประกอบสัมมาชีพ เพื่อที่จะให้ครบถ้วนเบญจศีลทั้งหมดเนี่ยเราเองก็ยังทำได้ยากนะครับแต่ว่าที่อยากเรียนถามพระคุณเจ้าคือโยมเองเนี่ยเคยได้ได้รับการสอนจากจากพระสงฆ์รูปหนึงซึ่งก็มีศรัทธากับท่านมากนะครับท่านก็บอกว่าในกรณีศีลห้าเนี่ยอย่างบางอย่างเนี่ยตัวโยมเองเนี่ยยังอาจไม่สามารถถือศีลครบได้ทั้งห้าข้อนะครับในบางขณะเนี่ยถ้าจำเป็นเนี่ยก็ให้ถือศีล ให้มากข้อที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ถ้าจะเป็นต้องผิดศีลบ้บางนะครับก็ก็ขอให้รู้ไว้ว่าในการที่จะต้องผิดศี l นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อที่จะดำรงชีพอย่างเงี้ยไม่ทราบอย่างนี้ถูกไหมครับก็ได้ในแง่หนึ่งแต่ว่าคือเราดูวัตถุประสงค์ของศีลอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าตัว การเบียดเบียนนี้เป็นตัวตัดสินสําคัญเช่นอย่างเอาละปาณาติบาตในพระสูตหนึ่งเนี่ยตัดเฉพาะมนุษย์เท่านั้นเองปานาติบาตในพระสูตรนั้นนะเออแปลกหมายถึงเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะแล้วทีนี้มาถึงมุสาวาตพูดเท็จการพูดเท็จที่เป็นตัวตัดสินสําคัญก็คือว่าเจตนา ตัดรอนประโยชน์ของเขาอันนี้เป็นมุสาวาดอันนี้เรามาใช้ในการที่ว่าบางทีแพทย์เนี่ยต้องพูดเหมือนกับหลอกคนไข้ใช่หมคุณก็ถ้าเอาแบบหลักนี้มาวินิจฉัยว่าผิดศีลไหมเนี่ยถ้าเราดูจะร้อยเรียกว่าเจตนารมเนี่ยจะเห็นว่ายังไม่ผิดเจตนารมของศีลเพราะท่านบอกไว้เพื่อตัดรอนประโยชน์ของเขา ใช่ว่าเขามาทางนี้เขามาถามเราว่าเขาหลงทางเขาไปไม่ถูกเลยมีทางสองแพร่งสามแพร่งเนี่ยจะไปทางไหนเรารู้ทางแต่เราต้องการตัดรอนประโยชน์เขาเราก็เลยชี้ทางผิดให้บอกทางนี้อย่างเงี้ยมุสาวาตเดินทีนี้ว่าถ้าอย่างกรณีแพทย์หรือคนเฝ้าไข้หรือพยาบาล อ, อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นว่าคนไข้ ไม่มีกำลังใจพอไม่สามารถจะรับรู้ความจริงในเรื่องโลกของเขาได้ตอนนี้เขาก็พูดหลีกเลี่ยงไม่เป็นเขาก็ได้แค่หลอกอก็เรียกง่ายๆว่าพูดเท็จไปใช่ไหมเลยพอ่อในกรณีนี้เจตนานั้นเจตนาดีต่อคนไข้นะก็ไม่ผิดจังๆในเรื่องมุสาวาตเพราะว่าไม่ได้จงเจตนารมตัดรอนประโยชน์เขาแต่ว่า ในแง่ของการฝึกท่านยังไม่ยกเว้นให้เพราะว่าเราจะได้ฝึกตัวในการที่ว่าพยายามที่ทำไงจะไม่ต้องพูดเท็จเลยแม้แต่ว่าเราไม่พูดจริงเราหวังดีต่อเขาเนี่ยไม่ให้เขารู้ความจริงเนี่ยเราอาจจะตัดรอนประโยชน์ลึกๆเขาก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนะี่ยแน่นอนถ้าเขารู้มันเขาจะไม่ได้ประโยชน์นั้นด้วยเพราะเขาสุดหรือว่า อาจจะถึงแก่กรรมไปซะก่อนนะประโยชน์ของบางคนเนี่ยก็คือถ้าเขายอมรับความจริงได้เนี่ยเขาจะได้เตรียมใจเตรียมชีวิตอะไรต้งของเขาได้ซึ่งจะได้ประโยชน์ขั้นสุดท้ายของชีวิตซึ่งปเป็นประโยชน์อย่างสูงเพราะฉะนั้นก็ขึ้นต่อกลยานามิตรผู้สามารถท่านอาจจะยอมให้ว่าคนนี้ทําได้แค่นี้เอาละเจตนาดีก็รอคนไข้ไว้ก่อนนะไม่บอกความจริงว่าเป็นโรคร้ายอันนี้แต่อาจจะต้องอาศัยอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถ มาพูดจาจึงกระทั่งว่าคนไข้ ย, ยอมรับความจริงได้แล้วบอกเพราะเวลาที่เหลือของเขานั้นจะได้เป็นเวลาที่มีค่ามีประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาเลยเนี่ยอันนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยกเว้นให้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเราเราจะประมาทแล้วเราก็จะปล่อยปละแล้วเลยเอาละเราหวังดีต่อคนไข้เราก็หลอกเขาไปใช่ไหมแล้วก็จบที่จริงมันไม่จบหรอกเพราะเขาควรจะได้ประโยชน์มากแค่นี้อีกแต่ต้องพัฒนาเขาก่อนให้เขาพร้อมอีกขั้นหนึ่ง แต่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันไม่ใช่มุสาวาดแท้เพราะมุสาวาดแท้อยู่ที่ตัดรอนประโยชน์เขาเจตนาเบียดเบียนก็เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ทราบจะใช้กันได้หรือเปล่าการเรื่องอาชีพที่ว่าตร ต, ต, ต, ต, ต, ตรงตรงประเด็นที่ที่พระคุณเจ้าพูดครับแต่ว่าผมผมผมยังกังวลว่าเรื่องลักษณะอย่างนี้มาเนี่ยเราส<ช> อ, อ, อนเด็กแล้วก็ให้เด็กเข้าใจ นีครับพราะแบบอ่างทคุณเจ้าพูดเนะี่ยผมผมเข้าใจว่าเราทําในลักษณะไหนแค่ไหนนะครับใช่ก็จำเป็นต้องถ่ายไปที่เด็กนี้จะทําได้นี่ครับก็เด็กก็คือให้รู้ว่าเจตนาเราไม่ต้องการไม่ต้องการทําร้ายเขาไม่เบียดเบียนเขาเราหวังดีต่อเขาบกว่าที่เรามีศีลห้ารักษาศีลห้าเนี่ยทุกข้อเลยเรามุ่งหมายเพื่อไม่เบียดเบียนกันไม่ทําร้ายกันแล้วก็อยู่กันด้วย ความหวังดีปรารถนาดีต่อกันเป็นมิตรต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเจตนาลมของศีลก็อยู่ท่าเนี้ยเพราะศีลฝ่ายบวกก็มีศีลฝ่ายบวกโยมบางทีไม่ได้นึกนะศีลไม่ใช่มีแก่ฝ่ายยกเว้นอย่างเดียวนะสังฆาวัตถุศีนี้ท่านจัดเป็นศีลหมดทานปิยวาจาอัถจริยาสมานาตตาเราไม่เบียดเบียนกันเราถือศีลห้านี่ไม่เบียดเบียนแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ยังมาสังหา ช่วยเหลือด้วยทานด้วยปิยาวาจาัจจทรัจยสมานัตตานี่ก็อยู่ระดับศีลเหมือนกันและเจตนารม์ของศีลจริงได้พูดว่าสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูลกันนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในเช่นเช่นอยู่ในระบบสังคมปัจจุบันที่เป็นระบบโดยส่วนรวมแล้วมันเอื้อต่อการเบียดเบียนใช่ไหมอา้าวถ้าสังคมเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการมาช่วยกันเนี่ย ก็เราก็รู้ตรหนักความจริงนี้แล้วเราก็พยายามทำในทางเกื้อกูลให้มากที่สุดตั้งเจตนาใหญ่เป็นหลักไว้ก่อนแต่อันบางอันนี่เราก็ยอมรับความจริงว่าเรายังอยู่ใต้กระแสและอยู่ในความครอบงำของระบบสังคมนี้เรายังหนีไม่พ้นเราก็ยอมรับความจริงอย่างที่ว่าเมื่อกี้เราก็ต้องยอมรับความจริงแต่ว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้อง ทำเสียหายอย่างนั้นให้ให้เหลือน้อยที่สุดก็ตอนแรกเรายังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาจจะมีปัจจัยบีบบังคับอะไรต่างๆเราก็พยายามให้มันเป็นโทษน้อยที่สุดแล้วก็เอาทางฝ่ายดีมาทำให้มากที่สุดให้เป็นไปได้อย่างเนี้ยอย่างเวนจากการเบทเบียนแล้วเราก็เอาสังคาวัตถุเข้าไปไปช่วยเหลือกันสงเคราะห์กัน เนี่ยคนก็ช่วยช่วยเหลือกันด้เนี่ยทานปปยะวาจาอัตริยาสมานาตตาเนี่ยเนี่ยอยู่ในระดับศีลศีลไยบวกสังขาวัตถุนี้ก็ต้องเน้นนะเลยบ่ในการอยู่ร่วมสังคมสี่อย่างเนี่ยเพราะคนเราตั้งแต่ในครอบครัวก็สี่อันเนี่ยทีนี้เอาละเรายอมรับระบบสังคมนี่ก็คือการแก้ปัญหาระยะยาวเราก็ต้องมองในระยะยาวด้วยว่า เราอยู่ในระบบสังคมนี้ที่มันครอบงำและบีบคั้นเราทำให้เราหลีกเลี่ยงการกระทาอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าในระยะยาวเราจะแก้แม้แต่สังคมนี้ด้วยเราจะเป็นส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาสังคมนี้ให้ระบบนี้มันเปลี่ยนไปด้วยอัน mm hmm. นั้นก็เป็นอีกชั้นหนึ่งก็บางคนก็เช่นว่าจะไปทำการใหญ่อันหนึ่งตอนแรกจำใจจา ย, จยอมต้องไปเข้าร่วม อยู่ในวงนั้นใช่ไหมเลวแต่เจตนาที่แท้นั้นคือเพื่อไปแก้ไขก็มีไอการกระทำในเบื้องต้นมันก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นส่วนฝีกย่อยไปเพราะเจตนาใหญ่มันดีแต่ว่าถ้าไม่ทำอันนี้มันก็ไปโ น, น่นไม่ได้ mm hmm. ก็ต้องใช้หลักที่ว่า mm hmm. เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ใหญ่ต้องยอมเสียประโยชน์น้อย mm hmm. ก็มีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่ง เมื่อเห็นประโยชน์ใหญ่ก็อยอมเสียประโยชน์น้อยได้เลยอันนี้ไม่ทราบใชาใดเปล่าแต่แต่ตมาก็ก็ลองพิจารณาดูที่ว่าหลักการ น, นี้หลักการเจตนาสําคัญก็คือเรื่องศีลก็คือไม่เบียดเบียนกันไม่ตัดรอนทําร้ายผู้อื่นแม้แตผ่ผลประโยชน์ของเขาแล้วก็พยายามไปทางบวกคือทางเกื้อหนุน ยอาอยัางไงดีเลยบลจะพอตอบได้ดอยังหรืเนี่ยผมคี่ว่าคงเป็ น, นาทางคณะผู้ิัารถเรือเรื่องอีกทีหนะครับแต่ว่าใ น, ใในส่วนตัวก็มีเป็นความเห็นของของผู้ปกครองที่คิดนะครับเพราะว่าตัวที่เด็กออกไปแล้วเนี่ยจะอยู่ในสังคมที่ที่ต้องแข่งขันกันอย่างรุแรแล้วก็วอาจจะมีปัญหา<ด>ครับ<ด>อันนี้เราต้องเตรียมคนของเราให้พร้อมด้วยนะคือเมื่อเป็นชาวพุทธเนี่ย ต้องอยู่ได้อย่างดีที่สุดในสังคมแม้แต่ที่มันแย่ที่สุดใช่ไหม เ, เราก็ต้องฝึกกันให้พร้อมอย่างนั้นด้วยแล้วก็เราไม่ใช่ไปเพียงไปอยู่ได้นะเราต้องไปนําการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยต่อไปเราก็เมื่อไปอยู่แล้วตอนแรกเราไม่มีกำลังพอเราก็ถูกบีบคั้นด้วยระบบนั้น จ, จําใจจํายอมทําบางอย่างไปแต่ว่าต่อไปก็คือเจตนาระะ ย, ยาเรามีจุดมุ่งหมายอยู่แล้ว เราก็พยายามเดินไปในทิศทางที่จะแก้ปัญหาอันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงกระแสสังคมระบบสังคมไปด้วยละไรอย่ายาวต้องคิดแบบนั้นโยมก็ว่ามีเป็นความเห็นที่ดีในฐานะผู้ปกครองซึ่งอาจจะห่วงว่าลูกจะไปอยู่ในสังคมแข่งขันอย่างไรเจ้าค่ะแล้วก็จะเห็นคือทุกคนที่มาที่นี่ก็ไม่ใช่แต่ ผู้บริหารหรือผู้ครูเจ้าค่ะก็เป็นทั้งบุคลากรีและก็ผู้ที่ทํางานอยู่ในสังคมแต่ว่าอยากเห็นแล้วก็จากท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ทําให้ได้เห็นแนวทางว่าโรงเรียนแนวพุทธเนี่ยโรงเรียนแนวพุทธเนี่ยก็คือจะขึ้นมาในสังคมเพื่ออะไรเจ้าค่ะวันนี้ประโยคอย่างนี้ที่ท่านเจ้าคุณพูดนี่ก็จะทําให้เห็นภาพชัดประโยชน์ของโรงเรียนแนวพุทธเจ้าค่ะหรือว่าลูกโตขึ้นมาในสังคมแล้วจะเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ สามแล้ ว, ลวครูอาจารย์จะต้องกลับแล้วสิปิดผาระเอาหน่อยน ะ, ะนเลือเลยพอนอย่างนั้นก็ขอต่ออีกนิดคือเรื่องนี้ก็มีคําถามบ่อยนะอาตามาอยู่เนี่ยอย่างพระที่ท่านมาบวชโชวคราวท่านมาจากอาชีพต่างๆท่านรู้ตัวว่าท่านไปอยู่ในอาชีพที่มันเป็นปัญหาที่ทําสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมเหมือนกันและถามอาตามาว่าจะจะทําไง ว่อ้อาวเราก็ต้องอยู่อย่างรู้เท่าทันแต่เจตนาระยะยาวเรามีถ้าเราตั้งอันนี้ไว้ได้แล้วในระหว่างนี้ที่เราต้องทําไปกับเขานี่เราก็พยายามให้ส่วนที่มันเกื้อกูลหรือเป็นประโยชน์เนี่ยดุลขึ้นมาบางหนึ่งละเท่ากับเรามีโอกาสไปช่วยเขาแล้วนะมังั้นกิจการแบบนี้มันจะเสียหายกับสังคมมากเราก็ไปช่วยให้มันมีส่วนที่ดีเกื้อกูลขึ้นมาบางและอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราก็ต้องมีปัญญาเพื่อจะแก้ไขปัญหาระยะยาวการที่เรามาอยู่ในระบบนี้กิจการเนี้ยได้เรียนรู้พัฒนาปัญญาของเราถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ไม่รู้กลไกความเป็นไปของระบบนี้แล้วแม้แต่เราจะไปแก้ปัญหาเราก็แก้ไม่เป็นนั่นก็เป็นประโยชน์ที่เราได้มาอยู่ในระบบนี้ด้วยเราก็รีบเอาประโยชน์เลยก็คือว่าไปอยู่โดยมีความตรหนักรู้ว่า เราจะเรียนรู้ระบบว่ามันเสียหายยังไงอะไรแต่อะไรด้วยถ้งางั้นแล้วก็ไปสักแต่ว่ามนหมองใจไม่สบายใจฉันต้องอยู่ในระบบนี้ที่มันทําแล้วเสียหายแก่สังคมอะไรแต่อะไรเนี่ยแล้วจําไงตัวเองก็ไปไม่ได้อา้าวก็รีบทำซะว่าเป็นโอกาสแล้วที่เราจะได้เรียนรู้ปัญหาสาเหตุของปัญหาเรามาอยู่กลางตัวปัญหาแล้วเรียนเลยศึกษาเลย ก็มองแง่ดีได้ประโยชน์เลยแล้วคุณนี่แหละจะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาต่อไปเพราะเราเข้าใจดีเนื้อท้งากาอันนี้ผ่านก่อนนะหมายความว่าเนี้ยคือตัวอย่างของการที่ว่าต้องหาแง่ที่เอาประโยชน์ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอะไรเลวร้ายยังไงเนี่ยถ้ารู้จักโยนิสมราชิการต้องหาประโยชน์ได้ไม่ฉะนั้นแล้วพระบางองค์ จะมรณภาพแล้วทำไมบรรลุอรตผลได้ล่ะใช่ก็หมายความว่าทุกอย่างหนักที่สุดมนุษย์ก็ยังเอามาทำให้ตัวเองตรัสรู้ได้เนี่ยสิ่งเลวร้ายที่สุดมนุษย์รู้จักใช้ปัญญาก็จะเอาประโยชน์ได้เรื่องนก็ต้องไปพิจารณาดูเอาเอาหลักการนี้ก่อนนะทีนี้ต่อไป ค่อต่อไปอันนี้อ่า น, านก็พอแล้วก็ช่วยกันดูแล้วก็ไปอาจจะต้องฝากว่าช่วยกันคิดสวดสาทยายพุทธวจนะบทหนึ่งหรือตอนหนึ่งโดยเข้าใจความหมายทําใจให้สงบและอธิษฐานจิตเพื่อจุดหมายที่เป็นกุศลวันละจุดจุดจุ ด, จดนาทีหรืออะไรก็ว่าไปหมายความว่าแต่ก่อนนี้อาจจะผู้รดสวดมนต์อันนี้ก็ให้ว่างึ้นคาว่าอธิษฐานจิตนี้ก็คือหมายความว่าเป็นตัวเสริมสมาธิ อธิษฐานในที่นี้คือความหมายเดิมนะไม่ใช่อธิษฐานขอจะประคุณนะอธิษฐานในที่นี้คืออธิษฐานแบบพระพุทธเจ้าอธิษฐานของพระอธิษฐานเพื่อจะทําคือตั้งใจจะทําอะไรอธิษฐานในความหมายของพระพุทธศาสนาเป็นบารมีอย่างหนึ่งเลยคือความตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวว่าจะทําอันนั้นให้สําเร็จนะมีจุดมุ่งหมายที่ดีแล้วก็ทําการนั้นไม่ใช่ ไม่ใช่อธิษฐานเพื่อจะได้แต่อธิษฐานเพื่อจะทํา <c oughs> คนไทยนี่อธิษฐานเพื่อจะได้ของพระอธิษฐานเพื่อจะทําพระพุทธเจ้าอธิษฐานพระไทยก็นั่งบำเพ็ญบรารมีเพื่อจะได้บรรลุโพธิญาณใช่ไหมเลยบอสอธิษฐานในที่นี้คืองั้นคือหัดเด็กให้มีจิตใจเข้มแข็งมีความตั้งใจจริงในการทําอะไรก็อันนี้จะสำมทับหรือการฝึกสมาธิต่อไปไปชม ไปวัดชมอารามที่รื่นรมเดือนละหนึ่งครั้งในวงเล็บหรือไปร่วมกิจกรรมทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอันนี้ฝากไว้ไปปรับเองต่อไปทำกรรมดีในวงเล็บจะใช้คำว่าทำบุญหรือทหรือใช้คำว่าบำเพ็ญประโยชน์อุทิศแด่พระรัตนตรยัยมารดาบิดาครูอาจารย์และท่านผู้เป็นบุพการีของสังคมในอดีตสัปดาห์ละอย่างน้อยหนึ่งครั้งอ <laughs> ลองคิดดู <laughs> เป็นไปได้ไหมในพเนี่ย <laughs> อ้าต่อไปตั้งกําหนดวันปลอดการบันเทิงให้กับตนเองเดือนละหรือสัปดาห์ละหนึ่งวันหรืออะไรเงี้ยอาตั้งกําหนดชมรายการบันเทิงแต่ละวันด้วยว่าแค่ไหนถ้าตั้งได้นะท่านเรียกว่าเป็นวัดอย่างหนึ่งวัดไปข้อปฏิบัติประจําตัวใช่ไว่าฉันจะดูบันเทิงฉันก็ดูแค่นี้หรือมีวันเว้นอันนี้ไม่ทำํำมันยังการการถืออุโบสถก็อย่างนี้แหละยังการถืออุโบสถก็อันนี้เหมือนกัน นี่คือการที่หัดเด็กให้ถือโบสถ์สดก็เราก็อยู่กับศีลห้ามาแดวันแล้วเราก็ไปขึ้นไปอยู่ศีลแปดสักวันหนึ่งศีลแปดก็คือว่าตอนนี้ไอ้ศีลห้าเนี่ยคือไม่เบียดเบียนใครแล้วแต่ศีลแปดนี่ก็จะมาพัฒนาตนให้มีจิตใจพัฒนาขึ้นให้พร้อมที่จะเป็นสุขง่ายขึ้นโดยพึ่งพาวัตถุน้อยลงนะศีลแปดที่เพิ่มเนี่ย คือเป็นศีลที่ฝึกคนให้เป็นสุขได้โดยพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคน้อยลงเจตนาลมอยู่ที่นั่นแล้วก็จะพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นด้วยไปในตัวเองก็จะขึ้นต่อวัตถุน้อยลงกล่าวแล้วเลยพอลองดูว่าจะทำยังไงได้ไหมเลยพรปลอดการบันทึงแล้วก็ ตั้งเกณฑ์เพื่อฝึกความรู้จักประมาณในการบริโภคการกินเสรพอดีอาการกินเสรพอดีหรือการบริโภคได้ปัญญาอันนี้ก็สําคัญเลิศพ อ, อเลิศพ อ, อย่างถ้าหากเอาอย่างพระนะคือพระเนี่ยเวลาจะฉันอาหารก็ต้องปฏิสังขารโยนี่อย่างที่วัดนี้เอาเลยฉันพร้อมกันนี้ก่อนที่จะฉันนี่สวดปฏิสังขารโยก่อน ปฏิสังคายโยนิโสปินดปตาตังปฏิเสวามิแล้วก็อาจจะแปลด้วยเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจก็แปลด้วยแป ล, แปลนันครับแปลจะบอกหมดว่าที่เรารับประทานอาหารนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างนั้นไม่ใช่เพื่ออย่างนั้นแต่เพื่ออย่างี้อย่างนี้แล้วก็รับประทานอย่างน้อยก็เตือนสติอีทีหนึ่งอันนี้เด็กบางแห่งก็เลยเขาก็เลยทำบ้างเพราะว่าโรงเรียนคริสเนี่ยเขาทาแล้ว แต่เขาทำแบบว่าขอบคุณพระเจ้าเวลาเอาอาหารมาตั้งใช่ไหมก็สวดขอบคุณพระเจ้าแต่ทีนี้ของเด็กชาวพุทธนี่ก็สวดพิจารณาอาหารว่าให้เรากินเนี่ยกินได้ปัญญาแล้วก็ให้ถือความอร่ อ, รอยเป็นต้นนี่เป็นตัวประกอบแต่ตัวจริงต้องให้ได้ก่อนกินอาหารต้องให้ได้คุณค่าที่แท้ของอาหารคือเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มาบำรุงเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโตให้ซ่อมแซมแก้ปัญหาไม่ให้เป็นโรคภยัยแค่เจ็บกินแล้วไม่เป็นโทษต้องอนัวัชตาอยู่ในข้อพิจารณานั้นกินแล้วไม่เป็นโทษกินได้ประโยชน์อย่างน้อยไม่เป็นโทษหรือกินทั้งได้ประโยชน์และไม่เป็นโทษอันนี้ก็พิจารณาอย่างน้อยก็เตือนสติแล้วก็จะเป็นศีลอย่างหนึ่งก็คือปัจจ ะ, ะปฏิเสวนาศี สีนี่น่าจะได้เน้นกันดนะ้ยก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ก็ถ้าหากว่าเห็นเหมาะก็พิจารณาตั้งแต่รับประทานอาหารเลยพอจะเริ่มรับประทานก็จะได้พร้อมกันด้วยป้อาอ้าวตกลงจะรับประทานอาหารก็สวดพร้อมกัน <c oughs> จบแล้ว <c oughs> แต่ว่าขอภัยกินเวลาญาติโยมเยอะเหลือเกิน